ด่วนแจ้ง 191 สํานัก ที่สุดของประเทศไทยสุดของประเทศไทยเป็นเมือง ภูเก็ตตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งในภาค จรดริมทะเลในอ้อมอกของภู เรียกกันในปัจจุบันว่ากันครั้งอดีตการปัจจุบันว่าตําบลฉลองครั้งอดีตกาลชุมชนส่วน วิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นทำมา ก็ได้ขยายวงกว้างออกไปเป็นชุมชนใหญ่ซึ่งเรียก 2330 ชุมชนที่ เป็นซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าชนที่ตั้งอยู่ริมน้ําบางใหญ่เมืองโตยอง คำว่าตอยองเป็นภาษามาลายูซึ่งมีความหมาย ในสมัยนั้นเมืองโตยองเป็นเมืองที่มีผู้คนมาอาศัยอยู่อย่างหนา ส่วนก็มีเขาแหลมพันวาทิศตะวันออกนั้นก็ก็มีให้ใช้ไม่รู้จักหมดสิ้นเขา ที่เป็นที่ต้องการของชาวต่างประเทศในสมัยนั้นชุมชนเมืองโตยองนั้นจึง ในเอกสารของชาวต่างประเทศมีการบันทึกว่า 2310 ครั้งกรุงศรีอยุธยาจวนจะเสียแก่พม่า แต่ก็ได้ถูกชาบ้านก็ได้ถูกชาวบ้านซึ่งประกอบด้วย ชุมชนแห่งนี้มีมีชื่อเป็นทางการว่าโบราณอยู่วัดหนึ่งชื่อ 2352 รัชสมัยรัชการที่สามเมื่อเมืองถลางบางโรงสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ให้มาเป็นวิ่งขวัญของผู้อพยพวัดที่สร้างขึ้นมา เมื่อชุมชน 2380 ใน 2435 ลุถึงราช ได้การปกครองการบริหารปรุงเปลี่ยนแปลงการปก อำนืดวัชฉลองปีพุทธศักราช 2352 เมื่อเมืองถลางบางรงเสียแก่พม่าชาวถลาง ติดกระบวนมาด้วยกระบวนมาด้วยตามประเพณีการหนีศึกสมัย ก็ชวนกันตั้งวัดขึ้นท่ามกลางชุมชน พระคุณเจ้าที่ชาวบ้านถลางได้นิมนต์ร่วมกระบวนการอพยพ วัดแห่งใหม่นี้จึงได้ชื่อว่าใหม่นี้จึงได้และอุปสมบทเป็นพระภิกษุว่าวัดชาวถลาง พระคุณเจ้าชลาภาพแล้วพระคุณเจ้าชราภาพแล้วก็มอบ เมื่อท่านเจ้าอาวาสญาณมุนีแช่มได้ชั้นดีช่างปูนปั้นชั้นดีพ่อท่านเจ้าวัดหมายถึงการที่ได้สร้างวัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีพุทธศักราช 2352 พ่อท่านเจ้าวัด วิสุทธิวงศ์สาจารย์ยานมุนีแช่มหลวงพ่อวัดฉลองหรือหลวงพ่อแช่มหรือพ่อท่านสมเด็จเจ้าไม่เพียงเฉพาะคนไทยในภูเก็ต ชาวพุทธเป็นเสมือนเกาะปีนังต่างพากันยกแช่ม มีอยู่ไม่มากนักเนื่องด้วยในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นมิได้มีการบันทึกหลักฐานหรือจพินมพ์หนังสือประวัติมาก่อนที่จะเป็นหลักฐานสืบสาะค้นคว้าได้นั้นก็มาจากป่าคําของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกวัดเล่าขานสืบทอดกันมาเมื่อนําเรื่องราวมาประติกระต่อกันก็ได้เนื้อหาใจความ พอที่จะสรุปได้ดังนี้พระครูวิสุทธิ ตัวด้วยสถานการศึกษาที่เป็นโรงเรียนอย่างปัจจุบันนั้นไม่มีใครอยากได้วิชาความรู้หนังสือและเล่าเรียนเขียนอ่านประเพณีนิยมใน ก็ได้บวชเป็นสามเณรเล่าเรียนอยู่ อภินิหารเป็นมหัศจรรย์ 2419 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ 5 เวลานั้นพวกจีนกรรมกรทํา เมื่องพูดคอำเยู้เอาไปสถุด Tagge ตัวที่เบืองทหาที่คุณสูมพูกร coincidence haceง่าย ไมอนังจะเฟ้น llesน by ด้วยทห secure เกืองพูดคุณ trip afone owners อะไร Wars m. leo quindi animal i� horse Ad relax sお願いします ต่อกฤษالны ออก optics preference อ่าหวนاحします ตัมата rankI? ตาก fianceF whenever you can save six under vl, n o c oPass Legends a present home on the turkey or y yang hain ได้вал fridge คือ how พวกอังยีก็ได้เที่ยว รุกใกล้ใกล้วัดเข้ามาชาวบ้านที่เป็นแช่มได้เข้านมัสการหลวงพ่อนิมนต์ ข้าอยู่วัดนี้มาตั้งแต่วัยเป็นเด็กจน ท่านก็ยืนค้ำอยู่อย่างนั้นเมื่อคนเหล่า รวงพ่อแชมจึงบอกกับชาวบ้านต่อไปอีกว่าค่าเป็นพระสุงจะรบราค่าฟันกับใครไม่ดาพวกสูงจะรบก็คิดอ่านกันเอาเองค่าจะทำเครื่องคุณพระให้ไว้สำหรับบ้องกันตัวเท่านั้นแล้วท่านก็ทำภาพระเจียตแจกให้โภคศีสะคนละผืน ได้คืนกลับมาอีกครั้งชาวบ้านได้รวมกันต่อสู้ไล่ฆ่าฝันพวกอังยีจนแตก อังยียกพวกเข้าโจมตีบ้านฉลองหลายครั้งโดยชาวบ้านเป็นฝ่ายตั้ง เข้ายิงปืนรอบกำแพงพระอบอสรยิงปืนคุ้งเหลน รบพุ่งของพวกอังยีกับชาวบ้านฉลองในค่ำนั้น ขณะที่พวกอังยีเผลอหลับอยู่นั้นก็กรูกัน และประกาศให้จะจ่ายให้ถึงบนหากใครสามารถ 5,000 เหรียญพวกอังยีได้ ในที่สุดจึงขอเจรจาหย่าศึกยอมแพ้ ต่างก็พากันมานมัสการกราบ ตามเรื่องชาวบ้านฉลองรบชนะพวกอังยี ในครั้งนั้นตำแหน่งพระครูสังฆะปาโมกเมืองภูเก็ตได้ว่างลงพระบาทสมเด็จพระจุลาจอมกล่าวในโอกาสเดียวกันทรงพระราชทาน ให้เป็นวัดชัยทาราราม เป็นที่พระครูวิสุทธิวงศ์สาจารย์นั้นพระบาทสมเด็จพระ ทำให้ชาวบ้านฉลองได้เรียก มีจึงให้การนับถือกันว่าเป็นผู้วิเศษทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตวิทยาคมจึงทับสลายกลายเป็นชาวบ้านธรรมดาการ มีกิตติมนต์เห็นเข้าในเมืองคนจีน ก็ให้ความเคารพเลื่อมหลวงพ่อแชมมีประวัติเล่าขานกันว่าหลวง มีชาประมงแล่นเรือออกหาปลาในๆให้คลื่นลมสงบลง วันดาให้คลื่นเมื่อรอดตายกลับมาถึงบ้านสงบเถิดรอดพร้อมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น และขอปิดทองที่ตัวท่านขอปิดทองที่ตัวท่านหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่ให้ปิดทองหากแรงบนทําให้เกิดอาเพศอีกจะ ชาวบ้านอื่นๆก็ เมื่อครั้งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเสด็จลงมาจังหวัดภูเก็ตโปรดให้นิมนต์ หลวงพ่อแชมท่านเป็นพระสงฆ์ผู้มีเมตตาแก่ชาวบ้าน ลงเลขยันเพื่อเสริมกําลังใจให้แก่ผู้เคารพศรัทธาแล้วหลวงพ่อ หรือกล้ามเนื้อเช่นเอ็นอักเสบอีกจูน คำพูดนั้นไม่กลับคำคำพูดของหลวงพ่อแช่มนั้นเป็นจริงความศรัทธาว่าท่านเป็นพระสงฆ์ผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ความเคารพ ฤกี้เด็กๆที่เป็นไส้เลือดเป็นฝีเป็น 2451 เมื่อมรณภาพบรรดาศิษย์ได้ มีเงินเหลืออยู่เพียง สุขของหลวงพ่อฉันจัดได้ว่าเป็นงานที่พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาร่วมงานอย่างมากมายมหาศาล ก็เป็นเพราะบุญบารมีของท่านเป็นเพราะที่ช่วยปกป้องคุ้มครองบารมีของท่านพ่อท่านสมเด็จ หญิงสาวเป็นคนชอบถ้าหายแล้วอะไรแผลงเมื่อหายแล้วเกิด ถือว่าพูดเล่นๆสนุกๆต่อมาเกิดปวดท้องขึ้นลูกมึงจะประดอน เพราะไม่ได้แก้บนในที่สุดหลวงพ่อแชมป์ ซึ่งทางวัดและ การใช้ไม้เริ่มจากหลงพ่อแชมศักดิ์สิทธิ์รักษาโรครวมถึงกรรมวิธี ที่มีต่อพระครูวิสุทธิวงศ์สาจารย์ยานัมมุนีแช่มท่านพ่อสมเด็จเจ้าองค์นี้เสนาสนะพระ ประชาชนส่วนใหญ่เมื่อมาเยือนจังหวัดภูเก็ตก็จะต้องไปนมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลองแล้วสิ่งที่จะลืมเสียไม่ได้ก็คือวัตถุมงคลต่างๆด้วยเชื่อมั่นในพุทธานุภาพอันเข้มขลังเป็นที่เลื่องลือกันช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับวัตถุมงคลพระเครื่อง ที่จะกล่าวถึงนี้ 2486 คือหลังจากที่หลวงพ่อแชมมอรณภาพแล้วหลังจากและสืบทอดหลวงพ่อ เหรียญรูปเหมือน 2486 บล็อกนิยมหลังยันต์ด้านหน้าเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ ด้านล่างเป็นปี พ.ศ. ที่สร้างและเขียนว่าพุทธศักราช 2486 ด้านหลังเป็นยันต์อักขระขอมจำนวน 3 พุทธคุณที่เป็นที่รู้จักดีนับได้ว่าว่าที่มีวัดปฏิบัติถึงพร้อม ด้วยสุปฏิปปโนคือเป็นพระผู้ปฏิบัติ ราวอัตโนประวัติของหลวงพ่อแชมวัชโหลงจังหวัดภูเก็ตที่นํามา ทางพระพุทธศาสนาที่เอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ข้อมูลประวัติแช่มโอกาสนี้ ได้โปรดมีความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดี